สกจอมเทศชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล้วได้ทูลถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุ์สมณพราหมณ์ทั้งหมดมีวาทะหลักการอย่างเดียวกันมีศีลข้อปฏิบัติอย่างเดียวกันมีชันทะลัทธิอย่างเดียวกันมีอัจโชสานะจุดหมายอย่างเดียวกันหรือนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า จอมเทพสมณพราหมณ์ทั้งหมดไม่มีวาทะอย่างเดียวกันไม่มีศีลอย่างเดียวกันไม่มีชั้นทะอย่างเดียวกันไม่มีอัโชสานะอย่างเดียวกันเท้าเธอทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์เพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีวาทะอย่างเดียวกันไม่มีศีลอย่างเดียวกันไม่มีชั้นทะอย่างเดียวกันไม่มีอโชสาระอย่างเดียวกัน พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพโลกมีธาตุหลากหลายมีธาตุต่างกันในโลกที่มีธาตุหลากหลายมีธาตุต่างกันนั้นเหล่าสัตว์ยึดมั่นธาตุใดๆอยู่ก็ย่อมยึดมั่นธาตุนั้นๆด้วยเรียวแรงและความยึดมั่นอยู่ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีวาทะอย่างเดียวกันไม่มีศีลอย่างเดียวกัน ไม่มีชั้นทะอย่างเดียวกันไม่มีอัจโชสานะอย่างเดียวกันเท้าเธอทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์สมณพราหมณ์ทั้งหมดมีความสําเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพสมณพราหมณ์ทั้งหมดไม่มีความสําเร็จสูงสุด ไม่มีความเกษมจากโยคะสูงสุดไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดไม่มีที่สุดอันสูงสุดท้าวเธอทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์เพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีความสำเร็จสูงสุดไม่มีความเกษมจากโยคะสูงสุดไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดไม่มีที่สุดอันสูงสุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพ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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่เท้าสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้วท้าสักกะจอมเทพมีพระไทยยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตรเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้หมดความแคลงใจแล้วเพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหาของพระผู้มีพระภาค เท้าสกกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิกของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าความวันไหวเป็นโรคความวันไหวเป็นหัวฝีความวันไหวเป็นลูกศรความวันไหวฉุดคร่าบุรุษนี้ไปเพื่อบังเกิดในภพนั้นๆฉะนั้นบุรุษนี้จึงถึงฐานะสูงบ้างต่ำบ้าง ปัญหาที่ข้าพระองค์ไม่ได้แม้โอกาสจะถามในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคได้ตัดตอบแก่ข่าพระองค์แล้วและได้ทรงถอนลูกศรคือความสงสัยและความเครือบแคลงที่นอนเนื่องมานานของข่าพระองค์ด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าจอมเทพพระองค์ทรงจําได้หรือไม่ว่าปัญหาข้อนี้ได้ตรัสถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมาบ้างแล้ว เท้าเธอทูลตอบว่าข้าพระองค์ยังจำได้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านเหล่านั้นตอบว่าอย่างไรหากไม่หนักพระไทยเชิญพระองค์ตรัสเถิดเท้าเธอทูลตอบว่าณสถานที่ที่มีพระผู้มีพระภาคหรือผู้เปรียบดังพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หม่อมฉันไม่หนักใจเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 ย่อมเทพพระองค์ยังทรงจําการได้ความยินดีการได้สมณัตเช่นนีน้ก่อนแต่นี้ได้หรือไม่ท้าวเธอทูลตอบว่าข้าพระองค์ยังจําการได้ความยินดีการได้สมณัตเช่นนี้ก่อนแต่นี้ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพระองค์ยังทรงจําการได้ความยินดีการได้สมณัตเช่นนี้ก่อนแต่นี้ได้ว่าอย่างไรท้าวเธอกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อครั้งเกิดสงครามระหว่างเทพกับอสูรถึงขั้นรบประชิดในสงครามนั้นพวกเทพชนะพวกอสูรพ่ายแพ้เมื่อข้าพระองค์ชนะสงครามจึงมีความคิดว่าบัดนี้พวกเทพในเทวโลกจะบริโภคโอชารสสองประการคือทิพยโอชาและอสูรโอชาการได้ความยินดีการได้สมณัตของข้าพระองค์นั้น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 ไม่เป็นทางมาแห่งสัสตราวุธเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามว่าจอมเทพพระองค์ทรงพิจารณาเห็นอํานาจประโยชน์อะไรจึงทรงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัสเช่นนี้เท้าเธอกราบทูลว่า ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์6ประการจึงได้ประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัสเช่นชนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอานาจประโยชน์ประการที่หนึ่งนี้แลว่าเมื่อข้าพระองค์เกิดเป็นเทพดำรงอยู่ในที่นี้ข้าพระองค์กลับได้อายุเพิ่มขึ้นอีกข้าแต่พระองค์ผู้นิรุข์ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดจึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัตเช่นชนี้ ข้าพระองค uh ์พิจารณาเห็นอํานาจประโยชน์ประการที่สองนี้แลว่าเมื่อข้าพระองค์จุติจากกายทิพย์และอายุของอมนุษย์เป็นผู้ไม่หลงจะเข้าสู่คันในตระกูลที่ข้าพระองค์มีใจยินดีจึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัตเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอํานาจประโยชน์ประการที่สนี้แลวว่าเมื่อข้าพระองค์นั้นยินดีในศาสนาของพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาไม่ลุ่มหลง ข้าพระองค์มีสัมปชัญญะมีสติอยู่โดยชอบธรรมจึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัตเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่สีนี้แล ว, ว่าเมื่อข้าพระองค์ประพฤติโดยชอบธรรมก็จะมีสัมโพธิข้าพระองค์จะรู้ทั่วถึงอยู่นั่นแหละจะเป็นที่สุดของข้าพระองค์จึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัตเช่นนี้ ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่หนี้แล้ว่าเมื่อข้าพระองค์จุติจากกายมนุษย์และอายุของมนุษย์แล้วจะเกิดเป็นเทพอีกข้าพระองค์จะเป็นผู้สูงสุดในเทวโลกจึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัติเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่6นี้แล้ว่าเทพเหล่านั้นชั้นอกคินินภ พ, พเป็นผู้ประนีกว่าเป็นผู้มียศ ในพบสุดท้ายที่ดำเนินไปอยู่อากนิธพบนั้นจะเป็นที่อยู่ของข้าพระองค์จึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัสเช่นนี้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์6ประการ น, นี้แลจึงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัสเช่นนี้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 เพราะว่านางเป็นผู้ที่เธอปรารถนาอย่างยิ่งท้าวสักกะจอมเทพได้ธรรมจักสุลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงใช้ประหัดตกปัทพีทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่า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 สักปัญหาสูตรที่8จบ 9. มหาสติปทานสูตรการเจริญสติปทานสูตรใหญ่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 มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้อุเทศจบกายานุปัสนาการพิจารณากายหมวดลมหายใจเข้าออก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 พิษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหละหมวดสัมปชัญญะจบกายานุปัสสนาหมวดมณสิการสิ่งปฏิกูลภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง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 เอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าดีเศรษฐ์น้องเลือดเหงือมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่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 และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดมนสิการสิ่งปฏิกูลจบกายานุปัสนาหมวดมนสิการธาตุ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 หมวดมนสศิการธาตจบกายานุปัสนาหมวดป่าชา้าเก้าหมวดภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งหนึ่งภิกษุเห็นแทรกศพนเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้วหนึ่งวัน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 และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล2ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินนกตะกลุ่มจิกกินแรงถึงกินสุนัข ก, กัดกินสุนัขจิ้งจอกกัดกินหรือสัตว์เล็กๆหลายชนิด ก, กัดกินอยู่แม้ฉันใดภิกษุนั้น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 กระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่งกระโหลกศรีรษะอยู่ทางทิศหนึ่งแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภ า, ายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่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 กายานุปาสณนาจบ